ประมัญญะเป็นสายสัมพันธ์ตืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสํานึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวิริโยนีน่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพัดมันจะฉกพอออกไปเหมือนกับหว์เห่าฉกเยื่ออย่างนั้น ถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะเย็ดออกมาแล้วก็พิจรารณาค้นฟ้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พับมันก็มานิ่งเวลาเราจะทํางานทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากรดอยู่ในถ้ากลางแห่งทรงอกส่วนที่สมกระแสออกไปทํางานมันก็ทํางานเพรามันอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในการทุกประเภทได้การทำสมาธิอันใดทำให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องหรถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่ได้นักศึกษา ก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาคอยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่และ ว, วันละ ว, วันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักเสร็จกุลาแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาเก็ตท็อทวนเป็นการท ว, วนความจำ เค็ดไปคิดมาเลือกไปเลือกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่งสามารถที่จะเอาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้าง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากมีนักศึกษามาฟังอยู่นี่ลองลองลองลองลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อ น, นันต์้อนค้าพิจารณาเป็นการพูนความจำที่นี่ยังพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัว แป็อย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแย้งกันอยู่ก็ให้พยายามตร้างปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนเตี๊ยงเตี๊ย ง, งกลับมาแม่บ้านทักโบโหบิดโหเอกท่านอย่าเพิ่งไปโกรธ <c oughs> ถ้าโดนเขาบิดโโหแล้วท่านอย่าเพิ่งไปโกรธ ให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับยั้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้วความรู้สึกก็เราผิดผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบตัวเลยชีวิตประจวันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลา เราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจาวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนคิดการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเภทจึงจะที่เชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้เด็กล่ า, าวธรรมะเบสเล็ พอเป็นเครื่องเ ต, เตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันขอทุกท่านจงสําเร็จความปรารถนาตามที่ตั้งไว้โดยทั่วกันทุกท่านเถิดเวลาตอบปัญหานิดหน่อย คือว่านิดหน่อยก็เพราะว่าอ่านผู้ฟังเสียงผูดแล้วพอๆจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหนจึงขอใช้คำว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากตับว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้อง แต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการขม่มประสาทได้เกง็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงเกินเนไปนั่นจะทำให้มือไม้มันเก่งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางแก่เขาจะว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไป แล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์รอกอเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอันนี่มีปัญหาอีกว่า <c oughs> การปฏิบัติที่ใช้คําว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช่พร้อมกับการเพ่งประสินินเข็นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้ แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผูน้ใดการภาวนาเป็นการน็้ถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุโทโธแต่การมองสีเขียวเข่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช่พร้อมกันกับพุโทโธพุโทโธไปด้วยกว็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุโทโธแล้ว ลมหายใจควรจะคู่กับพุทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อภาวนาพดทคล่อมลมเข้าออโพคคล่อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบางแล้วคําภาวนาจะหายไปเมื่อคําภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้เย็ดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปนาสมาธิจะใช่ลมหายใจพร้อมละ ลมกับนึกสำนดกอนาปาลสติลมหายใจกับอนาปาลสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอนาปานลสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันอาข้อที่สองนักปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเข่าเข้า และไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวแต่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้มมไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตำหนิถ้าเป็นการติเพื่อกอนไม่มีโทษถ้าตำหนิด้วยความบังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษ ให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็หนีโทษข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่พลังได้นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถบอ่อยๆสมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะกำหนดจิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อย ก็เปลี่ยนอิรยาบทเสียอยา่าไปทรมานร่างกาย <c oughs> เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ท้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนกไทห้โทษถ้ารู้สึกปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซาไม่ผิด ปัญหาต่อไปเมื่อรับศีลจาบพระไปแล้วไปกระทำผิดศีลเข้ามีทั้งเจตนาม้างและไม่เจตนาม้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรามากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไปแล้วกระทาผิดศีลหรือไม่การรับศีลไปแล้วทำทำผิดบ้างถูกบ้าง แต่ว่าไม่ได้เจตนา <c oughs> เป็นแต่เพียงขาดตาสัมบูรณ์ขาดสติทำให้ศีนเศร้าหมองในต่อย <c oughs> ที่นี้การที่มารับศีนแล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้างถ้าข้อเทียบเทียบกับมนุษกันแับว่า ผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่เสียเลยการสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกกรองบ้างก็ยังดีอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของกุตูชนไม่ยอมมีการบกกรองบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเอง ดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมทานศีลแปดแล้วไปต่อไข่ทากับข้าวจะผิดศีลหรือไม่เอออันนี้เพราะว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่ปักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ถ้าไข่ที่เขาทําลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่ปักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีล แต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไป ต, ต่อยข้ามมัก็เป็นกิจสีนขอสามคำว่าสีรัปต ะ, ะประมาสนั้นหมายความว่าอย่างไรจะดูนาอธิบายสีลัปตะปรามาคคำภีท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปลูกคำคำไม่แน่นอน ว่าอย่างนั้นสีละพัตะประมาตหมายตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้วมีอุ ป, ปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผูท้ทท่ปฏิบัติ ข้าวัดบางอย่างเช่นธูดงขวัตพอไปเคร่งตั้งแต่ธูดงขวัตเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทําบนให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทํำตามเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> สิ่งใดที่เราทําด้วยอุปาทาน ย็ด yes, มัน่นถือมัน่นเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งสีละพตะฟารมาส้ <c oughs> อสีคำว่าเทวบุตรมานเป็นอย่างไร มีบางคนว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผููที่ทําความดีจริงหรือไม่เออเราจะว่ากันโดยบุคลาธิฐานแล้วก็เทวดาบุตรมานก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้นะเน่ยเทวดาบุตรมานเนี่ยมีเยอะเช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มีพระบ้างละ่ะ มีผู้ยิ่งใหญ่บางละมีเจ้าโน่นเจ้านี่บางละเป็นวิญญาณมาบอกการทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจะทำเลยอะไรทำนองนี้อันนี้แหละคือเทวบุตรมานทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลส ท, ที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้แหละ เ อ, อทำไปทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาวอาหยุดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุน้นตื่นให้เราหยุดพักการกระทำนั้นในลักษณะแห่งความที่เกียดข้อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของสลังในวัตถุมงคลการชมน้ามนการเป่าหัวการเชิม หรือการสักยันติมงกลในสัตติทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรื่องที่คําถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยาศาสต ร, ร์ไสยศาสต ร, ร์กับพุทธศาสต ร, ร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันอความจริงของไสยศาสต ร, ร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ไม่ไม่อยู่ในขั้นอมตะ ความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนหรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ช่วงระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมัน่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมัน่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฝังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางสาวไม่แน่นอน เราจะนั้นพระพุทธเจา้าคำว่าปฏิบัติตีปฏิบัติชอบไล่ชั่วเราพุดธีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าใครทำได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้ริมอะไรมุนี่มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาใจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่า เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้สแสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ยเป็นอย่างการทำมงคลหรืออะไรซักที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหมอันนี้สิ่งใดที่เรายังเย็ดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมด แม้แต่การปฏิบัติสมถะสมถานวิปัสนาสมถานเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีพิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของคำงมงายหมะทีนี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการปมลำบนการเต่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคม แต่ถ้าพูดถึงขั้นปรมาติแล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเราจะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตะละธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมบิบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือสมบัติอันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้ แต่ว่าถ้าจิตต้องเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตระไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเปิดขึ้ืนดับไปเกิดเคลื่อนดับไปเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมะจากรภตวธรรมที่ท่นานัญญาชนทัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าภูมจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วธรรมะอัตตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบรรัญญัติไม่มีเราไม่มีเขา มีแต่สัจจะทำความจ ร, งริงเปล่าสดอยู่เท่านั้นทีนี้ในขณะที่ท่านอัญญาชนพันยะโลโลโลโลโลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นท่านอัญญาชนทัญยะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียว และสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความต่อเนื่นเป็นธรรมธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านัญญากรณัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านัญญากนณัญญะต้องถือบาตรไปบินตบาตกับญาติโยมนี่ต่อแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตระท่านไม่สัมผัสกับใครเลย แต่เมื่อจะจะทำธุรกิจตับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกเข้ามาทันทีเพราะอะไรเพราะเบญจกันของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัยสี่จากญาตจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสตับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัติยอมรับป่าฉันอนยาโนทันญะนะท่านหนึ่งในจำนวนที่เป็นเบญจวัคคีนะ ท่านเป็นโลกเศิษของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้น่านรูน้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตระละทำความเข้าใจให้ดีสัพเพวสีหมายถึงคู่สแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นะตกหล่นไปหาที่เกิดเรียกว่าสำเพสี ในนี้ภูมิหนึ่งในบรรดาสามสิบเอ็ดภูมิในสัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิบันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่าสามสิบเอ็ดภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทบภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอ่าที่ว่า กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องอ่ามหาสติปัฏฐานสี่เกี่ยวกับการพิจรารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนา เห็นจ็ตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือว่าเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจรารณาพิจารณากายเนี่ยท่านสอนให้พิจรารณา ตายให้เห็นตัดแต่ว่าเป็นตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปและยอมรับสภาพความจริงว่าตายสัดแต่ว่าตายเรียกว่าเห็นตายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสัดแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นแต่เพียงสัดแต่ว่าจิตเกี่ยวความรู้สึกเนื่อเทศไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำก็สัดแต่ว่าทำ ไม่ใช่ศาตร์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรม ท, ทีนี้ <c oughs> ข้อที่สองเมื่อจิตที่อยู่ปีตีเลยความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากข อ, อนออกจากสมาธิจะไม่อาูบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช่อุบายแก้ไขเพราะจิตที่มีปีติเลยมีความสุขตามที่ท่านว่านี้ ยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขถ้ามันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ทานสมาบัติอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกสัมผัสเจียงนี้ต่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทํานองนี้ดําเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิดความสําลานในการเข้าออกสมาธิ แล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงให้คอยต้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทําสติตามรูปความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จักการพิจารณาสามเวลานั่งสมาธิในเดินจงกรม จะลองสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเสียงดังปลิ้ยงเหมือนฟ้าผ่าหรือดังกล้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นค่อยถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ ประคองจิตทำสติไวให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นก็เสี่เวลานั่งสมาธิก็ใช้ทำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกลมใช้พิจารณากายที่เดินกำหนดสติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่ปูปบายของท่านผู้ใด บางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรมถ้าต้องการจะกําหนดรู้อิริยาบถก็กําหนดรู้อิริยาบถถ้ามันต้องการจะพ้นคิดพิจารณาก็ให้มันพ้นคิดพิจารณาอย่าไปขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสงบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน หน้าจิตของเรามีแต่ทำส ต, ติกหนดตามรู้เท่านั้นพอหาเมื่อทำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบรารมีอย่าไปคิดอย่างั้นจิในเมื่อจิตไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสตะโลและพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไร คอยแก้ไขและภาคเทียน พ, พยายามทำให้มากๆเขาเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองน้าปวดญิงแม่ทีมีสิ์บินบาทเหมือน้าได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบินบาทก็บินได้ที่วัดสาสะะละวันก็มีทีผ้าขาวผู้ชายผู้หนึ่งบินบาเดินตามหลังสะเขาก็ใส่บาดจนเต็มมันจะข้ อ, ขอเจดการตรวด การสวดเพื่อต่ออายุหรือทำพิธีต่ออายุนั้นทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทําแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิจะช็อกตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจด้วยใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นวิอุบายวิธีให้กําลังใจกันแต่ว่า การต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนคุ ม, มารที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเอาบทสวดมาสวดใส้สัสพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะัมมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนคุ ม, มารทีนี่มีใครอพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนคุ ม, มารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายในเจ็ดวัน แลองทรงเมตรทรงพระเมตตาก็พาพระพิสุสงไปสตดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับกุ ม, มานน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อสิ้นกําหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจาับกุมานไปกินเป็นอาหารก็เป็นนว่ากุ ม, มานต้นจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนะกุ ม, มาร อันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละแต่เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นสันเดินเป็นการปลอบใจกัดส่วนจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จนั่นอเอาไปพิจนารณาดูเอาเองอาตมาก็ไม่กล้ายืนกันแต่ว่าสาเร็จในทางการให้กำลังใจกันนี่สาเร็จแน่ คือทาให้ใจดีขึ้นทรสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุโทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกําหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คําว่าพุโทโธหรือทําเป็นจิตโลไว้ตรงหน้าเฉยๆหรือตามลมหายใจพุโทโธแปลว่าผู้รู้พุโทโธแปลว่าผู้ตื่นพุโทโธแปลว่าผู้เบิกบานการภาวนาพุโทโธ เอารู้คือพุทธะไปไว้กับคำพูดว่าพุ ท, ธ โ, ธพทธโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคำพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกสำนึกไปไว้ที่พุทธโธแปลว่าเอาพุทธโธไปไว้กับคำว่าพุทธโธทีนี้เวลาเราภาวนาพุทธโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้ แค่จะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไหนไม่ตั้งใจจะเอาไว้ที่ไหนเราก็กําหนดรู้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นความรู้สึกสภาวะรู้ตัวพุทธู้รู้แล้วก็เอาคําว่าพุโทโธไปไว้กับสภาวะผู้รู้พร้อมสันนิษฐพุโทโธพุธโธพุธโธพุธโทโธคําว่าพุโทโธไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้ เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทําสติให้โลอยู่กับพุทโธความทำสตินั้นเป็นตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้มานึกถึงคําพูดว่าพุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธบางท่านก็ตอกว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพค่้อมกับลมเข้าโผล้อมฝาบลมออกบางท่านก็สอนให้กําหนดตู้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านเข้า ออกแล้วก็ไม่พุทโธพุทโธพุทโธไปเลยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกัจจรลิตของท่านผู้ใดถ้าหากว่าการกําหนดบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเรากําหนดพร้อมโดตร้อมลมเข้าโคตรพ้มลมออกจังหวะมันยังผ่านอยู่เกจยังส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเดียวแล้วไม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่วงว่า จะไว้ที่ไหนก็ได้